อาณาสยามยุทภาคที่สองว่าด้วยกองทัพกรุงสยามยกพระขนนิกายเป็นมหายุโยธาทัพใหญ่ไปกระทำศึกสงครามกับนักองจันพระเจ้ากรุงกรัรมพูชาทิบดีขมรไม่ต่อสู้ไทยนักองจังนหนีไปพึ่งยวนกองทัพยวนยกมารบกับไทย ไทยได้รบกับยวนและยวนได้กระทำมหายุทธนาการเป็นศึกสงครามกังมาช้านามประมาณถึง14ปีเศษมีข้อความพิสดานนรวิจารา์ในการศึกไทยยวนดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่ส4แม่ทัพใหญ่ยวนหลงกลศึกไทย ตายทั้งสองทัพฝ่ายองค์กวางโดยและองค์ลำโดยแม่ทัพใหญ่เห็นองค์ตุลเล่ทับหน้าเข้าค่ายไทยได้แล้วจึงไล่ต้อนไพร่พลญวนเกือบสองพันคนเข้าไปในค่ายบ้างตั้งล้อมอยู่ริมค่ายข้างนอกบ้างองค์แม่ทัพใหญ่ทั้งสองก็เข้าไปพักอยู่ในศาลาใหญ่กลางค่ายไทย แล้วจึงสั่งให้นายทัพนายกองให้จับตัวองค์ตุนเล่แม่ทัพหน้าผู้คลาดไปค่าเสียในวันนั้นแล้วสั่งนายทัพนายกองไปเที่ยวหาเก็บเครื่องศาตราวุธและสเสบียงอาหารตามในค่ายและนอกค่ายได้มาหลายอย่างต่างๆคือปืนขานกอย่างบ้างปืนข้าบศิลาบ้างดาบมีดพราเสียมบ้างกระสุนดินดําบ้าง ซึ่งเจ้าพระยาบดินเดชาแกล้งทิ้งไว้ในค่ายทำทีเป็นหลงลืมเก็บไปไม่หมดดูเหมือนไทยตาลีตาลานรีบหนีไปเพราะจะให้ยวนเชื่อว่าไทยทิ้งค่ายหนีจริงจึงมีของหลงลืมทิ้งไว้ทั้งสเสบียงอาหารศาสตราวุธอย่างละเล็กอย่างละน้อยทำไว้ให้สนิทไม่ให้ยวนคิดว่าไทยแกล้งล่าไปเป็นกลอุบายแล้วทาลืมไว จนฉันแต่หม้อข้าวหม้อแกงข้าวสารข้าวสุกบ้างเล็กน้อยและเครื่องเสื้อผ้าซึ่งเป็นที่หายากในกลางป่าก็ทําลืมทิ้งไว้ด้วยปรารถนาจะให้ยวนสิ้นความสงสัยและไม่ให้มีความรังเกียจในค่ายเลยยวนจะได้เข้ามาพักรีพนในค่ายให้มากจะได้ตายให้มากพร้อมกันอย่างเช่นที่คิดถัปอุบายไว้ในที่นี้สาคัญยิ่งนักครั้งนั้น ยวนเข้าในค่ายไทยได้เป็นเวลาบ่ายสี่โงผลยวนจึงนำหม้อข้าวดินของไทยบ้างและหม้อข้าวทองแดงของยวนบ้างนำข้าวสารมาตั้งบนเตาไฟเก่าในค่ายไทยเพื่อจะหุงหาอาหารกินหลายสิบหลายร้อยเตาบางพวกได้ยินเสียงแตนเสียงตอร้องกระหึ่มคึืมไปในใต้แผ่นดินที่ค่ายนั้นจึงนาไม้และเหล็กสักแทงลงไปตามผืนค่ายก็พบหลุม จึงเปิดหลุมนันขึ้นดูพบชัวต่อแปนบินขึ้นกัดต่อยรีพนยวนเหมือนเช่นไทยทำไว้ที่ตา บ, บลลาราดปาตะโกนั้นยวนนายทัพนายกองจึงนำข้อความนี้มาแจ้งแก่องค์กวางโดยองกวางโดยหัวเราะจนกล้องหลุดออกจากปากแล้วพูดว่าหมาพบกลนอบายไทยทำไว้อีกเช่นนี้แล้วเห็นว่าแม่ทัพไทยเป็นบ้า เอาตัวต่อแตนพึ่งมาไว้ในค่ายเพื่อจะได้แทนเสียงรีพนและทำจังหันสุมควันไฟไว้ต่างๆนานาไม่เห็นเข้าท่าเข้าทางถูกแบบถูกอย่างพิชัยสงครามเลยเห็นแต่จะเป็นความคิดของพวกคนเสียจริตอย่างเดียวเท่านั้นเป็นแน่แม่ทัพยวนพูดเท่านั้นแล้วจึงสั่งนายทัพารกองให้นำเหล็กไปเที่ยวสักหาดู ถ้าพบหลุมที่ไหนมีตัวต่อแตนพึ่งซึ่งจะร้องหนวกหูนั้นก็ให้นำไฟถิ้งลงไปในหลุมเผาต่อแตนให้ตายเสียอย่าให้ร้องหนวกหูและบินขึ้นมากัดต่อยทำร้ายแกไพรพลยวนได้เลยเป็นอันขาดขณะนั้นนายทัพนายกองฝ่ายยวนจึงไปทำตามคำสั่งแม่ทัพใหญ่สั่งทุกประการพบหลุมไหนมีต่อแตนแล้วก็นำไฟถิ้งลงไปเผาเสียบ้าง เชือไฟนั้นก็คุลงไปถึงก้นหลุมติดชนวนดินปืนใต้หลุมบ้างกับพวกไพรพลยวนหุงข้าวกินที่เตาไฟเก่านั้นหลายร้อยเตาไฟที่เตาร้อนลงไปติดชนวนดินปืนใต้เตาบ้างไฟที่ไม่ชนวนนั้นติดเนื่องแล่นเร็วรอบค่ายใต้พื้นดินไฟถูกถังดินปืนหลายร้อยถังแล้วไปติดชนวนปืนใหญ่ที่บรรจุกระสุนดินส่วนเกิน ซึ่งเผาไว้ใต้แผ่นดินหลายสิบกระบอกชนวนไปติดดินปืนที่เรียรายฝังไว้ใต้แผ่นดินล้อมรอบค่ายและตามทางถนนหน้าค่ายหลังค่ายตลอดไปตามทางที่ยวนยกเข้ามานั้นด้วยเกิดเป็นไฟติดดินปืนลุกขึ้นพร้อมกันเสียงดังประหนึ่งเสียงฟ้าผ่าเป็นเสียงดังมหาโกลาหลุนตึกก้องกำปนาฏวาดวันไหวสถานสะเทือนไปหลายร้อยเส้นครั้งนั้น เป็นมหามาสยันประจักษ์พระบรมราชกษัตริย์เดชานุภาพพระบารมีพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวกรุงเทพจะมีชัยชนะแก่อานามปัญจามิตรเผอิญให้ยวนคิดเข้ามาในใต้อุบายแม่ทัพไทยทุกอย่างทุกประการอำนาจกลอุบายไทยจึงได้สังหารพรานคลานชีวิตยวนซึ่งเป็นข้าศึกต่อกรุงเทพให้พินาศชิบหายตายเกือบสองพันคนเห็นประจักษ์พระบารมีดังนี้ ครั้งนั้นดินปืนระเบิดขึ้นรอบค่ายในเวลายาำ่ำนคะ่ำณวันพุธเดือน6แรมสองคำ่ำดินระเบิดถูกเ่าค่ายและเครื่องค่ายหักพังประเด็นไปตกทั่วทุกทิศางุทิศไฟลวกถูกไ้พลนยวนล้มตายประมาณพัน0คนที่เจ็บป่วยลำบากประมาณ400อคนแต่พวกยวนตะเวนด่านทางอยู่ห่างค่ายไม่ถูกดินปืนระเบิดนั้นประมาณ200คน สองคนนั้นตกใจกลัวก็แตกหนีกระจัดกระจายไปซุ่มซ่อนอยู่ในป่าดงบ้างต่างๆกันคังนั้นหมาช้างโคต่างของหยวนถูกดินเปินระเบิดตายมากเหลือน้อยขณะเมื่อดินเปินระเบิดลุกขึ้นที่ค่ายโคกสแก่เป็นเวลายาำ่ำค่าพระยาจาแพงเพชรชื่อทองภูลผู้นีเขาลือกันว่าดำน้ำวันหนึ่งไม่ผุดก็ได้ เป็นนายทัพหลังหลังตั้งอยู่ที่ริมฝั่งคลองแครแรงกําลังเดินทัพหลังรอมาช้าๆได้ยินเสียงดังข้างทิศตะวันออกเหมือนดังเสียงฝาร้องและเสียงพลุดังติดติดกันเป็นหลายสิบท<ายๆ>ีก็เข้าใจว่ายวนเข้าข่ายไทยและโยนต้องด้วยตนอุบายไทยเป็นแน่แล้วจึงสั่งหลวงหน้าให้ขึ้นมาควบสวนทางขึ้นไปสั่งแพทยยกกระบับนายทัพหน้าให้กลับระบวนบทับลงมา แล้วให้เดินทับลงตรงไปถึงคลองแคแดงฝั่งใต้แล้วให้หลวงมหฮิตเทเดชกับหลวงแพ่งสองนายขึ้นมา้าขุมทหารม้าห้าสิบม้าข้ามคลองแคแดงไปสื่บราชการที่ค่ายโคกสแก่กองม้ากลับมาแจ้งความว่าได้ลงไปในเวลานั้นเป็นเวลากลางคืนเดือนไหสว่างเห็นหนทางดียกไปถึงตำบลโคกสะแก่ใกล้ค่ายไม้ไผ่ แต่ไม่เห็นค่ายเลยได้เห็นแต่แผ่นดินเปล่าและได้ยินเสียงยวนร้องไห้และร้องครวญเป็นเสียงแซงซ้อไปหลายร้อยคนกับได้พบศพแขนขาดขาขาดตัวขาดครึ่งซี่ครึ่งท่อนกระเด็นมาตกตามทางหลายร้อยชิน้นหลายร้อยท่อนตามทางที่ลงไปที่ได้พบศพนั้นห่างไกลค่ายประมาณสี่ห้าสิบหกเส้นบางชิ้น ก็กระเด็นมาตกไกลถึงยี่สิบเส้นก็มีบ้างเครื่องค่ายไทยนั้นกระเด็นมาตกเรื่อยรายไปตามทางห่างและชิดต่างๆหลายแห่งขุนรามพักดีนายม้ากองหน้าของหลวงแพ่งนั้นพบยวนที่เจ็บป่วยเล็กน้อยก็รับขึ้นหลังม้ามาคนหนึ่งให้ทหารม้าเลวรับยวนที่ป่วยบ้างเล็กน้อยขึ้นหลังมา้ามาอีกสี่คนพากันกลับมายัางกองทัพพระยากำแพงเพชร พระยา ก, กําเพงเพชรให้ล่ามถามยวนห้าคนนั้นได้เนื้อความตั้งแต่ต้นจนปลายดังบรรยายแสดงมาแต่ก่อนนั้นแล้วอันหนึ่งถ้าจะมีคํากลางขวางถามเข้ามาว่ายวนพูดจาดูมินดูถูกไทยว่าทมกนอุบายดังเด็กทารกต่างๆดังที่ว่ามาแต่ข้างต้นบนนั้นและจิจการอันใดที่ยวนทําในกองทัพยวนนั้น ทำไมไทยจึงได้ล่วงรู้ล่วงเห็นได้เล่าเขาทำเขาพูดแต่พวกเขาตางหากพวกเราไม่ได้ยินไม่ได้เห็นยวนพูดยวนทำการงานเลยเหตุใดจึงรู้การต่างๆเก็บนำที่ไหนมาจดมาจำเรียบเรียงเป็นเรื่องเป็นราวโดยละเอียดคาแก้ตอบว่าได้ทราบความตามที่จับยวนมาได้เมื่อภายหลังทั้งไพรพลและนายทับยวนและแม่ทับยวนก็จับมาได้ จึงรู้ความตามเหตุน้อยใหญ่จึงได้เรียบเรียงเป็นลำดับมาตามการฝ่ายพระยากำแพงเพชรได้ทราบความตามยวนฆ่าศึกฆาคนให้การแจ้งดังนั้นแล้วไม่ไว้ใจแก่ราชการจึงสั่งให้พระรามพิชัยกับพระมหาไทยให้คุมทหารร้อยหนึ่งยกไปปิดต้นทางวางค่ายโคกสแกไว้อย่าให้ยวนหนีไปได้สั่งให้พระเทพโยธากับหลวงสุภรพมาตรา ขุมทหาร1้อยหนึ่งถือคบเพลิงมีเครื่องสตราวุธครบมือทุกคนให้ยกไปตามยวนที่เหลือตายแตกหนีกระจัดกระจายไปในปา่าให้จับมารวบรวมไว้ถ้าสู้ให้ยิงให้ตายเสียให้หมดถ้าไม่สู้ให้จับเป็นมามากจะได้ใช้ราชการเป็นคนเฉลยเลี้ยงช้างมาครันรุ่งขึ้นณนะวันพฤหัสบดีเดือนหกแรมสามค่ำพระยากำแพงเพชร ก็เดินกองทัพกลับมาข้ามที่ท่าหน้าวัดมะกอกริมฝั่งคลองเคเคแดงเดินทัพรุดเร่งไปทั้งกลางวันและกลางคืนสองวันก็ถึงค่ายโคกสแกเห็นศพยวนตายด้วยถูกดินปืนระเบิดนั้นประมาณศพพันสี่ร้อยที่ป่วยเจ็บมีบาดแผลยังไม่ตายนั้นประมาณสี่ร้อยคนจึงสั่งให้ขุนรองจ่าเมืองขุมพรใไปจับคนยวนที่ป่วยเจ็บทุกพลภาพ ลำบากต้องหามและจูงพยุงรวบรวมมาไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เป็นหลายกองให้ขุนรองจ่าเมืองคุมพลทหารรักษาโยนป่วยเจ็บสี่ร้อยคนอย่าให้หนีไปได้ครั้งนั้นพระรามพิชัยกับพระมหาทไทยไปตั้งกองสกัดจุกช่องปิดทางไว้จับได้ยวนที่หนีไปส่งให้พระยากำแพงเพชรพระยากำแพงเพชรให้หลวงเมืองทำงโงกสวมคอโวนทุกคนพอรุ่งขึ้น พระเทพโยธาหลวงสุภาพมาตราไปตามจับยวนที่เหลือตายหนีไปในป่าจับมาได้ในเวลากลางคืนวันนั้นบ้างตามไปจับในป่าเมื่อเวลารุ่งเช้าได้บ้างรวบรวมได้หนึ่งร้อยสี่คนพามาส่งให้พระยากำแพงเพชรพระยากำแพงเพชรสั่งให้จับตงงกไว้ทั้งสิน้นรวมกับยวนที่พระมหาไทยจับมาส่งแต่ก่อนหกสิบคน เป็นยวนเฉลยหนึ่งร้อยหกสิบสี่คนถามยวนหนึ่งร้อยหกสิบสี่คนให้การว่าที่หนีรอดไปได้บ้างคือที่มีม้าขี่จึงหนีไปผลได้ประมาณสามสิบเศษครั้งนั้นพระยากำแพงเพชรจับยวนนายทหารรองเป็นเสมียนของแม่ทัพใหญ่ได้สองคนชื่อหลับหนึ่งชื่อเย่อหนึ่งถามข้อราชการในกองทัพตั้งแต่ยกมา จนเมื่อถูกดินปืนระเบิดนั้นได้ความมากแล้วได้บัญชีรีพลที่ยกมาครั้งนี้โดยชัดเจนให้ล่ามแปรบัญชีออกได้ความว่าองกวางโดยยกมามีไพรพลแปดร้อยองราโดยยกมามีไพรพลแปดร้อยแล้วองคตวนเล่ยกมาอีกมีไพรพลสี่ร้อยแล้วองค์เผอแม่ทัพใหญ่ที่ตั้งทัพอยู่ที่เมืองโจดกนั้นให้องค์ดีเลือก คุ้มคนหัวเมืองตึกเสมายกเพิ่มเติมมาอีกทัพหนึ่งมีไพรพลสองร้อยรวมไพรพลถังสี่ทัพสองพันสองร้อยเป็นแน่พระยากำแพงเพชรได้ทราบดังนั้นแล้วจึงสั่งให้พระมหาไทยตรวจศบยวนและตรวจยวนเป็นและยวนป่วยดูจะมีมากน้อยเท่าใดจะได้รู้ว่ายวนหนีไปเท่าใดได้แน่จะถูกต้องกับบัญชียวนหรือไม่พระมหาไทย รวบศยวนมีหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่ศพยวนป่วยมีสี่ร้อยสิบหกคนยวนเป็นมีหนึ่งร้อยหกสิบสี่คนรวมหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่นายทับยวนให้การต่อไปว่าตกกลุ่มถูกเหลาวของไทยทำไว้กลางทางนั้นยวนตายเสียครั้งนั้นหนึ่งร้อยสี่คน และรบ ก, กับทักมาพระยาอัศดาเรืองเดชนั้นยวนก็ตายสามสิบหกคนป่วยไข้ตายตามทางสามสิบคนคงหนีกลับไปรอดได้สามสิบหกคนพระมหาไทยหลวงสุภาพมาตราทาบัญชียวนตายหนีป่วยจับเป็นมาได้ขึ้นยื่นแก่พระยากำแพงเพชรต่ตอไปตามขุนนางยวนให้การดังนี้เดิมไพรพลยวนสองพันสองร้อยคน ตั้งจำนายป่วยไข้าตายสามสิบถูกเหลาตายหนึ่งร้อยสี่ทัพมาไทยค่าตายสามสิบหกถูกดินปืนระเบิดตายหนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าจับเป็นมาได้หนึ่งร้อยหกสิบสี่หนีไปได้สามสิบหกถูกดินปืนระเบิดป่วยอยู่สี่ร้อยสิบหกรวมสองพันสองร้อยคนครั้งนั้น ทัพไทยจับช้างมาโคต่างที่เหลือตายในกองทัพยวนนั้นได้บ้างช้างห้าสิบกม้าหนึ่งร้อยสี่โคต่างสองร้อยสี่สิบหกที่ถูกดินปืนระเบิดตายก็มากที่แตกตืนเข้าป่าไปตามจับไม่ได้ก็มีบ้างแต่ช้างม้าโคต่างตายอยู่ที่โคกสะแกลคราวนี้มากกว่าที่จับมาได้หลายส่วนหลายเท่าแต่เครื่องสรรพุธของยวนได้ไวสิ้นทุกอย่างแต่ดินปืนของยวนหาได้ไม่ ด้วยพลอยติดไฟลุกขึ้นส้ำเติมฆ่าพวกยวนนั่นเองพระยากำแพงเพชรแต่งหนังสือบอกฉบับหนึ่งให้พระยารามคำแหงฆ่าหลวงกำกับทัพเข้าชื่อในใบบอกด้วยแล้วมอบให้หลวงนาขึ้นม้าเร็วขุมทหารมา้มายี่สิบหกม้ารีบไปแจ้งความเจ้าพระยาบดินเดชาซึ่งกำลังเดินทัพไปเมืองขมรฝ่ายเจ้าพระยาบดินเดชาเดินทัพเกือบจะถึงเมืองเชิงกระชุมอยู่แล้ว เมื่อได้รับหนังสือบอกนั้นที่กลางทางจึงมีหนังสือตอบมาอย่างพระยากำแพงเพชรใจความว่ายวนที่ถูกดินปืนระเบิดป่วยเจ็บมีอยู่416คนก็เป็นคนลำบากอยู่แล้วขั้นจะพามารักษาพยาบาลไว้ใช้ราชการต่อไปก็เห็นว่ายวน416นั้นจะเดินมายัางเมืองขมิ้นก็ไม่ได้ขันจะให้ช้างโคต่างบรรทุกมารักษาก็หามีช้างพอไหม กับจะพามากลางทางก็ไม่มียาจะรักษาเห็นว่าเป็นการรุงรังห่วงใ ย, ยแก่เราหนักหาประโยชน์ไม่ได้เลยให้พระยากําเพงเพชรนำดินปืนคลอกยวนที่เจ็บลำบากสี่ร้อยสิบหกคนนั้นให้ตายเสียหมดเถิดแต่นายทัพนายกองยวนที่ป่วยอยู่หรือลำบากอย่างใดก็อย่าให้ค่าเลยให้นำบรรทุกช้างโคต่างมาทรงยังเมืองเชิงกระชุม ได้ไตาถามข้อราชการบ้านเมืองยวนต่อไปอันหนึ่งเครื่องสัต์ประวุธและช้างม้าโคต่างนั้นก็ให้พระยารามคำแหงคุ้มส่งยังเมืองเชิงกระซุ่มก่อนแต่พระยากำแพงเพชรนั้นให้เดินพับมาข้างหลังพระยารามคำแหงเพื่อจะได้ระวังรักษาเฉลยยวนที่พระยารามคำแหงไล่ต้อนมานั้นอย่าให้หนีไปได้ครั้งนั้น พบศพองค์ลำดวยแม่ทับยวนถูกดินปืนตายเสียแต่ในวันเกิดการโกราหุนนั้นแล้วพระยากำแพงเพชรสั่งให้ทหารตัดศรีรษะองค์ลำดวยแม่ทับใหญ่ฝ่ายยวนใส่ฉลอมมอบให้หลวงนาขึ้นม้าเร็วนำไปให้เจ้าพระยาบดินเดชาแต่ในวันก่อนนั้นแล้วและครั้งนี้เก็บได้เข็มขัดขององค์ลำดวยสายหนึ่งทอด้วยไหมศรีรษะเป็นพลอยทับถิม หลังเบีย้ยยาวห้ากระเบียดกว้างสามกระเบียดหนาสองกระเบียดกึ่งสันฐานเหมือนเมล็ดมะขามกับได้กำไรยกสวมอยู่ในข้อมือขององค์ลำดวยขอนหนึ่งกับได้กั้นหยั่งที่องค์ลำดวยตะพายติดอยู่บ้านเอวเล่มหนึ่งด้ามเป็นเขี้ยวปลาพยูเนเหนือเหล็กสีเขียวดังปีกแมลงทับหาสนิมไม่ได้เลยฝักนั้นทำด้วยเงินกาไหลทอง ยวนเสมือนสองคนที่จับมาได้แจ้งความว่าพลอยทักทิมศีษะเข็มขัดนั้นองค์ลำโดยซื้อมาแต่เมืองพม่าราคาพันตำรึงจีนแต่กำไลห ย, ยกนั้นองค์ลำโดยซื้อมาแต่กรุงจีนราคาห้าพันตำรึงจีนกั้นยันเป็นของพระเจ้าเวียดนามพระราชทานให้ถือเป็นสนาขององค์ลำโดยทั้งสามสิ่งนี้ ได้มอบให้พระยารามขำแหงนำไปส่งให้เจ้าพระยาบดินเดชาด้วยครั้งนั้นไทยได้พบองค์วางโดยแม่ทัพฝ่ายยวนป่วยลำบากเดินไม่ได้อยู่ในค่ายโคกสแกนั้นเพราะดินปืนลวกถูกที่หลังทังพองไปหลายแห่งกับไม้เสาค่ายกระเด็นมาถูกที่น่องหักเดินไม่ได้แต่ยังหาตายไม่ทหารไทยหามมาขึ้นช้างแล้วตรวจ ด, ดูมีของสี่ อ, อย่างคือ แหวนเพชรวงหนึ่งราคาห้าร้อยตำลึงจีนเข็มขัดไหมสายหนึ่งสีสัเป็นนาคสว่าดราคาสามสิบตำลึงจีนก้านยันเล่มหนึ่งฝักเงินกาไหล่ทองคำด้ามงาช้างปืนหลังม้าบอกหนึ่งครมทองของสี่อย่างขององค์กวางโดยนี้ก็ได้ส่งไปให้เจ้าพระยาบรินเดชาด้วยอานามสยามยุท ภาคที่สองตอนที่สิบสี่แม่ทัพยวนต้องกลศึกไทยตายทั้งกองทัพกำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป